ปี2559 <c oughs> กำลังจะผ่านพ้นไปนะในอีกไม่กี่ชั่วโมง <c oughs> จากปีปัจจุบัน <c oughs> ก็จะกลายเป็นปีเก่าเป็นอดีตไป259 เป็นปีที่จะต้องจดจำในความรู้สึกของหลายคนนะส่วนใหญ่ก็ว่าได้เพราะว่ามีคงมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่พึงประสงค์เก็นความสูญเสียความพัดพราา หรือว่าความไม่สมหวังเกิดขึ้นอย่างที่เราได้สวนเมื่อสักครู่เนี่ยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาแล้วไม่ได้อย่างที่หวังปีนี้คงจะมี เหตุการณ์แรงเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์นะกับชีวิตส่วนตัวนะไม่มากก็น้อยยังไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในระดับประเทศนะเช่นการฟ้าละคตของในหลวงรัชกาลที่9อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ เรียกว่าใหญ่ที่สุดในรอบปีเกิจะรอบอาจจะในรอบหลายปีรอบสิ บ, ส, บสิบปีก็ได้เารามนดูเหตุการณ์โลกเหตุการณ์โลกก็มีเหตุการณ์ที่ช็อกที่ทำให้ผิดหวังอย่างรุนแรงมากมายคือทำให้เกิดความวิตกกังวล จะว่าไปแล้วถ้าพูดถึงเหตุการณ์ระดับโลกก็ปีนี้ก็เรียกว่าโดดเด่นกว่าหลายๆปีก่อนหน้านี้มากมายคงจะเป็นที่จดจำกันไปนานนับทศวรรษเพราะมันอาจจะเป็นจุดที่กระตุ้นให้เกิดแรงกระเพื่อมหรือผลตามมาต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าดีหรือลายแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ตามสำหรับชาพุดธแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะว่า ความความไม่แน่นอนความพันผวนแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่มันเป็นธรรมดาของชีวิตนะแล้วก็เป็นธรรมดาของโลกด้วยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะควบคุมว่าบงการ หรือว่าขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นได้บางอย่างเราก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้แต่ว่าถ้ามองในระยะยาวแล้วมันก็เป็นแค่การน่วงเหนียวเอาไว้เท่านั้นเองเพราะในสมอก็เกิดขึ้นจนได้อาจจะไม่ใช่ในลักษณะที่เรา คาดคิดหรือว่าวาดภาพเอาไว้แต่ในความเป็นธรรมดานั่นเองเนี่ยมันก็มันก็มีประโยชน์นะที่เราต้องหาให้พบนะหรือมองให้เห็นหรือว่าใช้ให้เป็นเหตุการณ์ที่ขมคืน ทความเจ็บปวดให้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหลายคนเมื่อมองย้อนกลับไปกับรู้สึกขอบคุณกับรู้สึกซาบซึ้งอย่างอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เคยเล่านะว่าสมัยที่ไปบวชเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดีย ทำปริญญาตรีโทจนเเอกนานนับสิบปีมันเป็นช่วงเวลาความขมขื่นความเจ็บปวดมากเพราะว่าได้เจอกับสิ่งที่ไม่ประสงค์ที่นั่นเยอะแยะโดยเพราะจากการจากผู้คนที่นั่น ทั้งเพื่อนที่เรียนด้วยกันทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็จากอินเดียมาด้วยความรู้สึกเหมือนกับจะสาบส่งแต่ว่ามาผ่านไปยี่สิบสามสิบปีเมื่อเ ล, ลึกถึงช่วงเวลาที่อยู่อินเดียนะอาจารย์ประเมือง็บอกเนี่ยมัน รู้สึกซาบซึ้งมากตอนนั้นเนี่ยร้องไห้หลายครั้งนะที่อินเดียแต่ตอนนี้รู้สึกขอบคุณประทับใจทุกอย่างนะเพราะว่ามันมันมีส่วนทำให้อาจารย์เป็นอย่างทุกวันนี้นะและตอนหลังก็เลยบินกลับอินเดีย เพื่อไปคารวะเพื่อไปขอบคุณไปเยือนที่เก่าๆที่เคยทำให้เจ็บปวดแต่ว่าไปคราวนี้ไปได้วยรอยยิ้มชีวิงคนล้อมก็ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ความเจ็บปวดความทุกข์ความผมคืนความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นเมื่อ เวลาผ่านไปเราก็ได้เห็นประโยชน์หรือข้อดีของมันนะอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งก็ตอนที่เป็นเด็กนะต้องถูกเขี่ยวเข็นจำ้ำจี้จ้ำชัยโดยยายจะไปเล่นก็ไม่ได้นะต้องทำการฝีมือนะต้องถักโครเชต์ต้องปักผ้า เด็บผ้ายายนี่ก็เป็นคนที่พิถีพิถันละเอียดละออะถ้าหลานทำผิดก็บางทีก็ถูกว่าบางทีก็ถูกตีน้อยใจน้อยใจเด็กก็น้อยใจไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดูโรรทัศน์เหมือนคนอื่นเขาแต่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณยายเพราะว่าวิชาที่ยายให้มานี่มัน มันมีประโยชน์มากมายนอกจากใช้ทามาหากินได้นะี่เป็นงานดีเล็กที่ทำให้เกิดความสุขเวลามีความเครียดจากที่ทำงานมามาถักมาปะผ้าปักลายเย็บผ้านี่มีความสุขนะสุขใจด้วยได้เงินด้วยเอาขาไปขายได้นี่ก็คงนะ เป็นความรู้สึกของหลายคนนะเมื่อเราเลืกถึงครูที่ครูในโรงเรียนสมัยประถมมัธยมที่ดุบางทีก็ถึงกับตีฝาดอย่างเพื่อนหลายคนที่เรียนที่สาชันตอนที่จบใหม่ๆก็ไม่อยากจะนึกถึงประสบการณ์ในโรงเรียนทไหนเพราะว่าถูกตี ถูกครูเตีเป็นประจำเป็นเด็กเกเรเรียนไม่ค่อยดีไม่อยากคิดไม่อยากนึกโกรธด้วยแค้นด้วยครูแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยพอมาถึงวันนี้มีงานเลี้ยงรุ่นทีไรก็ขอบคุณครูเก่าๆที่มาร่วมงานบางคนคิดถึงกับยื่นไม้ให้ ไม่เลี้ยวครูช่วยตีผมหน่อยมันกลายเป็นความรู้สึกที่ดีไปแล้วนะเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะอดีตนะ่ะแต่ว่ามุมมองหรือความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนแปลงได้และความรู้สึกมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยความทรงจํายังอาจจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก เหตุการณ์มันไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วแต่ความทรงจา บ, บางครั้งก็อาจะแปลเปลี่ยนไปแต่ที่ไม่ไม่แปลเปลี่ยนนะแต่ความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าประสบการณ์การเวลาที่ผ่านไปมันก็ทำให้เราได้เห็นบางแง่บางมุมนะของเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเ่าั้นว่าที่จริงมัน ก, มนก็มันก็มีความหอมหวานอยู่เหมือนกัน และบางครั้งจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากยังมีมีเพื่อนคนหนึ่งเราว่าเนี่ยเมื่อสิบกว่าสิบกว่าปีก่อนมั้งลูกชายอายุสิบห้ามาขอแม่ว่าจะไปเรียนต่อที่อินเดีย อายุาก็ยุ่ไม่มากนะแต่ว่าแม่เห็นว่าลูกนี่มีความเป็นผู้ใหญ่นะรับผิดชอบตัวเองได้ก็อนุญาตให้ลูกไปลูกไปอนเดียได้ไม่กี่เดือนก็ประสบบัติเหตุจมน้ําตายแม่นี่เสียใจมากร้องผมร้องไห้มันไม่ใช่แค่ความเศร้าโศกอย่างเดียวนะมันความรู้สึกผิดด้วยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มีส่วนทาให้ลูกตายเพราะถ้าแม่อนุยาตให้ลูกไปลูกก็คงยังอยู่กับแม่ต่อไปยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจแต่นี่ตัวเองอนุญาตให้ลูกไปก็เลยโทษตัวเองว่าเนี่ยมีส่วนทําให้ลูกตายก็จะเฝ้าเฝ้ า, ฝาโจมเรยกวบยตีตัวเองนะลงโทษตัวเองว่ามีส่วนทาให้ลูกตาย ก็เรียกว่าถ้าจะไม่เป็นผู้เป็นคนนะตัวกระทั่งเพื่อนเนี่ยก็เห็นแล้วก็สงสารผ่านไปหลายเดือนก็ยังรู้สึกแย่ก็เลยชวนให้ไปลองเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำสมาธิภาวนาดูก็ไม่ได้มีใจไปทางนั้นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่มีทางออกนะก็เลยต้องลองไปดู เมื่อได้เข้าวัดได้ลองปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมก็เริ่มได้คิดมากขึ้นโดยเพพาะที่พระท่นว่าเนี่ยคนเราเนี่ยบางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นทั้งหมดนี้ก็มันก็เป็นเพราะกรรมกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็เป็นเหตุทาให้ บางคนก็อายุสั้นบางคนก็อายุยืนแล้วก็ได้ฟังได้รับรู้นะเรื่องความจริงว่าคนเราต้องมีในสืกอว่ต้องหนีไม่พ้นความตายเชื่อเล่น้อยชื่อเล่นน้อยก็อยอมรับความตายของลูปได้แต่ความรู้สึกผิดมันก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวก็ได้เรียนรู้วิธีจัดการความรู้สึกผิดนะอาศัยสติเนี่ยดู เวลาใจมันรู้สึกรู้สึกผิดขึ้นมาก็รู้เท่าทันอาการนั้นแต่เดิมพยายามไปกดข่มมันเอาไว้ก็พยายามก็พยายามรู้แค่รู้เฉยเฉยรู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นในใจจนเห็นว่ามันไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาชั่วคราวพอรู้พอรู้ทันอารมณ์พวกนี้ความรู้สึกมก็หายไป แต่ก่อนกดขมที่ไรมันก็ไม่ยอมหามนก็โผล่ขึ้นมาพางทีก็โผล่มากลางดึกนะแต่ว่าพอมีสติดูมันโอ้มันก็เหมือนกับผู้รายนะพอเจ้าบ้านเห็นมันก็หลบหายไปทาไปามไปในส่วนความสุกผิดมันก็ไม่มารบกวนหรือรองความติดใจทีวีทีมันเหมือนกับเจอพายุกระนำในทางอารมณ์เนี่ยมันก็ค่อยสงบลง แล้วก็กลายเป็นความกลายเป็นความสุขเกิดขึ้นสุขแล้วก็สงบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนสงบกว่าสุขกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกได้ซ้ำเธอก็สูวนนีได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ก็เลยรู้สึก ขอบคุณนะขอบคุณความตายของลูกนะที่ทําให้แม่ได้มาพบชีวิตใหมนะ่เธอเคยถึงกับเพื่อเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งคุ้มค่ามาเพราะทาให้แม่ได้มาพบธรรมะแต่ก่อนเวลาที่ถึงความตายของลูกเนี่ยเศร้าเสียใจสึกแย่แต่ตอนนี้พอนึกถึงความตายของลูกมันความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วมีความรู้สึกขอบคุณขอบคุณลูกนะขอบคุณความตายลูกทําให้แม่ได้มาพบธรรมะ ได้มาพบชิดหมายเพราะถ้าไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นก็แม่คงจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆในในใจมันมีความสุขที่ที่พิเศษมากความต่างลูกสาหรับแม่ทุกคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แต่ว่าสหรับแม่คนนี้แกก็พราะว่ามัน มันก็ยังเป็นสิ่งคุ้มค่านะนันนี้ก็มันทำให้เราเห็นได้นะว่าความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถทำให้เราเห็นธรรมไดนะ้ความทุกข์แม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อยากเจออยากจะหนีแต่หากว่าต้องเจอต้องประสบเนี่ยมันก็สามารถจะผลักเราเข้าหาธรรมะได้ ตัวนึ่งาขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการที่เราตั้งสติให้ได้ด้วยนะพอตั้งสติให้ได้มันก็เห็นมันก็เห็นธรรมะที่ความทุกข์เขาพยายามจะสอนเรายังมีผู้หญิคนหนึ่งก็เป็นยังสาวอยู่เลยก็เป็นคนที่สวยภูมิใจในความสวยของตัว เรียนปีสามก็ได้รับเลือกเป็นดาวมาทัาไลน์แล้วก็มีงานงานงานเล็กๆน้อยๆที่อาศัยความสวยงามตัวเนี่ยนะทำไรายได้มีคราวหนึ่งก็ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะผ่านโซเชียลมีเดียสมัยนั้นเฟ e บุ o k ยังไม่ดังประมาณสักหกปีที่แล้วผู้ชายนนั้นคบกับติดต่อเธอ สักพักหนึ่งก็เกิดรักนะแต่ว่าเธอไมไ่รู้สึกเขาอย่างนั้นวันหนึ่งผู้ชายก็นัดเจอเขาผู้ชายรู้ว่าเธอไม่ได้รักเขาแบบที่เขาเข้าใจหรือคาดหวังก็โกรธ น, นะแคงคิดว่าผู้หญิงหลอกด้วยน้ากรดสาดหน้าเสียโฉมต้องใบหน้านะตาก็บอดไปข้างหนึ่ง ควารู้สึก ข, ของเธอนี่แย่เลยนะโอมันยิ่งก็แยกนะคนที่เคยภูมิใจให้ค่ากับหน้าตาตัวตอนนี้มันไม่เหลือแนละ้วมันไม่ให้เหลือไม่เหลือดิมันรู้สึกแ ย, กย่ด้วยไม่อยากจะอยู่นะอยากจะฆ่าตัวตายแต่ ว, ว่าก็ตัดสินใจไม่ค่าเพราะว่านึกถึงแม่จะขอย้ายไปอยู่ที่อื่นรู้สึกอายนะที่ได้เจอคนที่เคยเห็นเธอในรูปลักษณ์ที่สวยงาม ท, ที่จริงก็ไม่น่าอายนะมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่ว่าผ่านไปหลายปีเพราะว่าเธอก็จิตก็พลิกนะก็สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นพนักงาน call นเตอร์ที่ธนาคารแห่งหนึง่งทุกเช้าก็นัองรถไฟฟ้าไปทำงานก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาตัวเองอะไร มีเคยก็เคยมีคนมาทักว่าคุณชื่อเ ค, ค้กใช่ไหมเธอเขาบอกถูกต้องแล้วค่าก็พูดด้วยรอยยิ้มเพราะเธอเคยไปออกรายการโทรทัศน์คนคงจําได้ก็เคยมีคนถามด้วยว่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับผู้ชายคนนั้นเกลียดผู้ชายคนนั้นไหตัธว่าไม่เกลียดเลยนะไม่โกรธด้วยซ้ยําอยากจะขอบคุณเขาเสียอีกนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มัน ประการแรกคือมันทําให้เธอได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นถ้าเธอสวยคงจะไปหลงไหลกับแสงสีแต่ข้อที่สําคัญขอเธอว่ามันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสมัยก่อนทําอะไรก็ยังยึดติดถือมั่นมากอะไรมากระทบก็ไม่ได้ใครมาพูดก็ไม่พอใจง่ายแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มันทําให้เธอได้เห็น ทำให้เธอได้เห็นว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุนะทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นหน้าตาเธอก็เหมือนกันถึงไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้นะพอแก่ตัวมันก็ต้องเสื่อมไปนะความสวยงามมันก็ทำให้เธอปล่อยวางได้นะแล้วพอปล่อยวางเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องอื่นนี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนยะใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรถึงเธอเธอก็ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่โกรธไม่เคืองแล้ว เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็เรียกวารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ว่าออมันสอนให้เราถึงความไม่เที่ยงนแทนที่เธอจะคร่าครวนกับความสวยงามที่เสียไปที่กลับเป็นอดีตไปเธอกลับมาใครค่ครว อ, อมันทุกอย่างมีวันหมดอายุนะ ไม่ไม่เสียไปวันนี้หรือเมื่อวานนี้มันก็ต้องวันหน้าก็ต้องหมดไปก็เลยปล่อยวางนะเน่ยลองนะไม่ว่าปีนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับฟีของเราหรือเกิดขึ้นนะกับบ้านเมืองในะสาที่มากระทบความรู้สึกก็ อย่าจมอยู่ในความเศร้าโศกความท้อแท้ความหมดหวังความสิ้นหวังหรือความแค้นเคืองเมื่อการเวลาผ่านไปนะเราอาจจะเห็นว่ามันนําสิ่งดีๆไปให้กับชีวิตของเรากับจิตใจของเราหรืออย่ารอเห็นนะบางทีอาจต้องหาหรือใช้ประโยชนจากมันให้ได้ แช่ปีะยชนจากมันเช่นกระตุ้นเตือนให้เราเกิดความขนขวายความไม่ประมาทผู้เจ้าก็ตัดสอนพระพระนันทิยาวาเนี่ยเวลามันมีความเสื่อมมีสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมีความมีความล้มเหลวเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้ให้มอง ว่ามันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราต้องขวนขวายเร่งทำความดีเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นและเมื่อประสบความสาเร็จนะเกิดความเจริญก็ให้ก็ให้พอใจในความเจริญนั้นแล้วก็อาศัยความสุขหรือความยินดีความอภิรมในความดีแล้เป็นเครื่องรอเลี้ยงให้ทำความดีมากขึ้น ถ้ทางก็เตือนว่าเนี่ยอย่าไปเพลินกับมันนะยินดีในความสำเร็จนะก็เพื่อมากระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการทำความดีทำความเพียรมากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เพลินหลงไหลจนงองมืององเท้าตรงต่อผู้วเนี่ยตักว่าเนี่ยผลแห่งความดีย่อมเป็นพี่แก่ผู้ไม่พิจารณาเพราะทำให้เกิดความประมาทนะพอประมาทแล้วมันก็ มันก็เฉื่อยชาแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้หรือความประมาทนั่นเองนั่นแหละนะที่เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียขึ้นเมื่อคนที่ประมาทเวลาขับรถเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในเวลาต่อมา เมื่อเราใคร่ควรเหตุการณ์ในปีสองห้าเก้าก็อยากจะให้ลองนะพิจารณาในมุมนี้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ให้มองต่อไปเนี่ยอยีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงวันสิน้นถึงการสิ้นสุดของปีเก่าตอนนี้หลายคนก็เริ่มเข้าดาวแล้ว เข้าดาวการสิ้นสุดของปีเก่าปีสองพันห้าเก้าก็อะเพลินกับการเข้าดาวอย่างนั้นอย่างเดียวให้เข้าให้ให้เข้าดาวชีวิตของเราด้วยนะเพราะว่าชีวิตลราก็เหลือน้อยลงทุกทีเหลือน้อยลงทุกทีให้เราเข้าดาวนะพอ ถ, ถึงวัน วันสิ้นลมด้วยไม่ใช่เข้าดาววันสิ้นปีอย่างเดียวอาการพิจารณาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องอภปมงคลนะเพราะว่ามันคือความจริงแล้วก็ถ้าเราพิจารณาดีๆมันก็ทำให้เราเกิดความไม่ประมาทวางของเอาแต่เข้าดาว วันสิ้นปีบอกก็ว่าไม่ทันถึงวันสิ้นปีหรือสาสเบเ็ดธันวาก็ก็ตายซะก่อนนะตายเพราะความประมาทนะกินเหล้าเมาฉลองฉนะลองที่บ้านฉลองนะที่โรงเรียน แล้วก็จะไปฉลองอีกงานหนึ่งตอนกลางคืนลงเขาไปเนี่ยเขาเนี่ยบัานตาดินทองแล้วว่าบอกว่าไปไม่ถึงงานชนต้นไม้ตายบางทีชีวิตนี่มันสิ้นสุดแล้วว่าวันสิ้นปีได้ซ้ำ ให้เราพิจเราเรื่อยถึงว่าชีวิตเรานี่มันมีวันสิ้นสุดแล้วแม่ต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ใช่เพื่อให้หดหู่นะแต่เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเมื่อรู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหลือเท่าไหร่นะถ้ารู้ว่าเหลือเท่าไหร่ ย, ยังพอวางแผนอะไรได้เหมือนกับเราล้วนมีเงินเหลือเท่าไหร่นะเราก็จะวางแผนการใช้เงินได้ถูก แต่เวลาไม่เหมือนเงินในกระเป๋านะเราไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่เรารู้แต่ว่าจ่ายไปเท่าไหรแล้วอาจจะเหลือมากเหลือน้อยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องพยายามใช้เวลานะที่มีอยู่ในการทําสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับชีวิต แล้วก็พยายามให้เวลากับสิ่งนั้นก่อนนะการให้เวลากับคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ให้เวลาในที่นี้ก็รวมถึงการที่ทำหน้าทีนะ่ต่อคนเหล่านั้นด้วยรวมทั้งการให้เวลากับตัวเองนะสรารการทำความดีนะ มีความฝันอะไรที่อยากทำก็ก็ไม่ควรผัดผ่อนแต่ว่าก็อย่าจมอยู่ไวความฝันนั้นจนลืมการฝึกจิตฝึกใจเพราะว่าถึงแม้ความตายยังมาไม่ถึงแต่ว่ามันก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิต ก็คือต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเจ่นความเจ็บป่วยอุปสรรคปัญหาและต้องพัดผานจากสิ่งที่เราที่พอใจก็คือความสูญเสียใ้ก่อนจะตายเนี่ยก่อนที่จะสิ้นลมก็ยังมีมีจะเรียกว่าลูกน้องก็ได้นะตามมาทยอยตามมา ซึ่งถ้ามอยดีก็คือบททดสอบก่อนที่เราจะเจอกับความทุกตัวพ่อเนี่ยในความทุกตัวพ่อเนี่ยคือหรือความทุกตัวแม่คือความตายแหละมันเป็นสุดยอดของความความทุกข์ทั้งมวล น, นีสูญเสียก็สูญเสียทุกอย่างไม่เหลือแม้กระทั่งลมหายใจเจ็บปวดก็เจ็บปวดสุดเสียจนทนไม่ไหว แต่ ก, ก่อนที่จะเจอความทุกตัวพ่อตัวแม่เนี <c oughs> ่ยเราก็จะมีลูกน้องตัวลูกตัวหลานทยอยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราต้องไม่ต้องไม่ประมาทนะกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนก็มีความสุขรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันแต่ไอ้ที่คนเราวิตกมากก็คือหรือคนที่คนรอ รับมือกับมันได้ยากคือไอ้ความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าอย่างที่เราสวยกันเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างแล้วแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนั้นถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เหมือนกับเรารู้ว่าจะต้องเมื่อออกทะเลก็ต้องเจอคลื่นเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะที่จะรับมือกับคลื่น คนบางคนไม่ได้เตรียมตัวเลยนักก็โดนคลื่นกลบคลื่นซัดแต่คนที่เขาเตรียมตัวมาเขาก็จะสามารถที่จะโต้คลื่นได้เราเคยเห็นเ้าเล่นโต้คลื่นไหมคลื่นสูงแค่ไหนเขาก็สามารถที่จะทะยานขึ้นนะลอยอยู่เหนือคลื่นได้คลื่นอะไรนี้มันก็เหมือนกับ อุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเ ร, เราเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับหรือว่าปฏิเสธมันได้นะมันมาแล้วนะแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้วิธีที่จะโต้คลื่นอันนี้เกิดจากการฝึกนะการเตรียมตัวเตรียมใจการฝึกเจ็ดสุดใจไว้รวนของการทำความดี เมื่อมันเกิดขึ้นเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้อย่างเช่นนะเราก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกขนะ์เจ็บป่วยสูญเสียเราก็รู้จักปล่อยรู้จักวางได้หรือว่าดีกว่านั้นคือหาประโยชน์จากมันนะสามารถจะเห็นธรรมจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ โดยที่เราการเตรียมตัวอย่า ง, างหนึ่งที่สำคัญคือการะระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ามรณสติไม่ใช่เรื่องอภิมงคล น, นะสำหรับช่วงเทศกาลอย่างนี้นะเพราะมันทําให้เราเกิดความไม่ประมาทแต่ถ้านึกไม่ดีก็ทําให้หดหู่ได้ไม่มีบางคนพอนึกถึงว่าคนรออีกไม่นานก็จะตายเนี่ย จะจะสวิงไปทางนึ่งนะก็คือในเมื่อรู้ว่าจะตายแน่นอนแล้วก็อยากเที่ยวให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่นะคนที่แบบนี้ก็เยอะต้องเที่ยวให้เต็มที่ไปเลยเพราะจะตายเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้แต่เขาลืมคิดไปว่าตอนที่เขาจะตายไม่ใช่เราเจะปิดสวิต ท, ทันทีนะคนเรามันไม่ใช่ว่าก่อนจะพอจะตายมันปิดสวิต ท, ทันทีมันมีส่วนใหญ่ก็จะ ก็จะค่อยๆตายนะเช่นนอนติดเตียงความตายของคนเก้าสปอร์ซ็นต์มันเป็นการตายแบบค่อยๆตายเช่นนอนติดเตียงเพราะเป็นมะเร็งเพราะเป็นโรคไตาวายเพราะเบาหวานเพราะโรคหลอดเลือดสมองก็คือเป็นทําให้เป็นอมตะพึกงอมตะพาไอตอนที่รอความตายนี่เนนะหลายคนทรมานมากนะ แล้วก็มันนึกเสียใจว่าไอ้ตอนที่เรามีสุขภาพดีเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมใจเอไว้ที่จะรับมือกับสภาพนี้หรือมึงส่วนใหญ่ก็เสียใจโอ้ไม่ได้ทำหลายๆอย่างที่ควรทําเพราะเอาแต่สนุกสนานแะความรู้สึกเสียใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกร่วมที่เกิดกับคนเป็นมากที่ใกล้ตายแล้วก็มักจะเสียใจเพราะว่า ไม่ได้ทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ตัวเองรักหรือคนที่มีคุณค่าชีวิตตัวเองไอ้ที่เสียใจเพราะไม่ได้เที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยหรือไม่ได้ไปชอบที่นั่นที่นี่น้อยอันนี้เพราะนั้นน่ยคนที่บอกเนี่ยฉันมีเวลาเหลือไม่มากนั้นฉันไม่รู้จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่นั้นเที่ยวไปเต็มที่พวกนี้เนี่ยเขาก็ มองมองแค่มองตื้นไปหน่อยไม่ได้คิดว่าเนี่ยก่อนจะตายมันไอต้องใช้เวลาเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะ <c oughs> แล้วก็มา <c oughs> ทุกทรมานนะกับความความทุกขภารภาพความปวดกายป่วยใจแล้วความรู้สึกผิด อยู่ปพะเภทนึงก็คือรู้สึกว่าโหดูก็เลยปรงเลย <c oughs> นะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่เป็ น, น้นทำอะไรหรือไม่ก็ปรงฉันไม่ทำอะไรแล้วปรงทุกอย่างไอ้พวกนี้นี่ก็ก็ดูเหมือนดีนะคือปล่อยวางทุกอย่างนะแต่ว่าพอถึงเวลาจะตายก็จะตายแบบทุกทรมานเหมือนกันเพราะว่า อย่างนั้นเราก็มานึกเสียใจโอ้เรายังไม่ได้ทำอย่างงดเราไม่ได้ทำอย่างนี้มัวแต่ปรงนะคือมัวแต่ทำจิตไม่ได้ทำกิจเนะสียใจว่าไม่ได้ทำอย่างงดไม่ได้ทำอย่างนี้อไอ้แบบนี้ก็เยอะนะถึงเวลาโปรง่ปรงแต่เสร็จแล้วก็ปรงไม่จริงเพราะยังมีความเสียใจนะที่ไม่ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำ รวมทั้งอ้ต้องเจอความเจอทุกขเวทนาที่ตามมากับความเจ็บความป่วยปรงก็คืองอมืองอถ้ท่าไม่ทำอะไรไม่แม้ก็ทังเตรียมใจไว้ที่จะรับมือกับความทุกข์ความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นคือถ้าคนเราตายแบบปิดสวิต ท, ทันทีมันก็มันก็ไ่ายนะน่าจะสนุกสนานเที่ยวเตไป หรือแม่ก็โปรงไปเลยแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นการวางท่าท่าทีที่สุดตรงสองทางนี่มันมันก็ไม่ถูกท่า ท, ทีถูกคือว่าเออเราก็ในด้านหนึ่งก็ฝึกใจปล่อยวางอีกด้านหนึ่งก็พยายามทำกิจนะทําหน้าที่ที่ควรทํารีบทําก่อนนะอย่าไปพัอน หรือว่าทําควบคู่ไปกับอย่างอื่นก็ได้เช่นทํางานหาเงินอ้าวก็ทําแต่ว่าเรื่องการให้เวลาคนรักหรือการให้เวลาการฝึกจิตทําสมาธิภาวนาก็ทําไปด้วยเวลาที่เที่ยวเตะหาความบันเทิงเติมสรรรีสารในชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะคนเราก็ผู้ตุชชนก็ต้องมีสิ่งนี้แต่ว่าก็อย่าอย่า หมกมุ่นกับมันนะจนสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำเพราะว่าผัดผ่อนเอาไว้ก่อนไปคิดว่าแก่แล้วค่อยทำแล้วกันนะพอหมดเรี่ยวหมดแรงค่อยทำกเกษียณแล้วค่อยทำหรือว่าขอทุ่มเทกับการทำงานสักยี่สิบปีหลังจากนั้นพออายุห้าสิบล้วก็ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเวลาให้คนรัก หรือว่าทุ่มเทก็สามปีค่อยมีเวลาไปดูแลพ่อพวกนี้ประมาททั้งนั้นแหละพอถึงเวลาเครืองจิงก็อาจจะไม่ได้ทำตายซะก่อนหรือว่าเขาจากไปซะก่อนนะแล้วเนี่ยเมื่อสิน้นเมื่อเมื่อกล้จะสิ้นปีนะก็ให้เราลึกได้ว่าชีวิตเราใกล้จะสิ้นลมเหมือนกัน เ อ, อยวนึกถึงแต่เรื่องความสุขสนานรื่นเริงหรือว่าความเรื่องสีสันต่างๆนะให้เราลึกถึงมุมนี้ไว้บ้างนะแต่ไม่ใช่กระบอกมุ่นกับมันนะให้เราลึกไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ทําความเพียรอย่างที่เราสอนมสัสสโกเนี่ยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะ หมายความว่าความตายจะเกิดขึ้นกับพรุ่งนี้ก็ได้แค่นะนั้นเนี่ยช่วงเทศกาลงานอย่างเงี้ย ง, งานรื่อเรืองเี้ยลองนึกในมุมนี้ไว้บ้างนะมันจะได้ไม่เพลินไปกับความสุกสนานหรือว่าไม่เพลินไปกับความความรู้สึกในทางยินดีอย่างเดียวนะแต่เกิดความ ไม่ประมาทนะมาเป็นเครื่องเตือนใจด้วยซึ่งถ้าเราทำจิตทำใจไว้ดีเนี่ยนะมีความตื่นตัวเสมอนะทุกวันเนี่ยมันจะเป็นวันที่เรามีความสดชื่นเ บ, บิกบานตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันมันจะมีความรู้สึกช่มชื่นนะไม่ใช่แค่วันปีใหม่เท่านั้นนะคนเราถ้าเจอประม า, าทธรรมดีเนี่ยมัน มีความสุขมีความแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะั่นไม่ใช่หัวตู่อ่าช้เดียวพูด ก, กันนี้นะกรับครับ